นี่คือเสียงจากสีบานครับในเร้าวันนี้เราอยู่ในชิวเตซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดเราอยู่ในหัวข้อสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับได้เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่สามโปรดฝังโภชนะของพระเจ้าย้อนบทที่สิบสองข้อที่สามสิบเจ็ดครับถึงแม้ว่าพระองค์ได้สงรงกระทำหมายสำคัญหลายประการทีเดียวให้เขาเห็น เขาทั้งหลายก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสําเร็จตามธรมของอิสยาผู้เผย พ, อพอระชนะซึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาได้กล่าวไว้อีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมวัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและกลับมาให้เรารักษาเขาไว้หายอิสยากล่าวดังนี้เพราะว่าทันไดเห็นพระสีอของพระองค์จึได้กล่าวถึงพระองค์ยังไก็ดีแม้ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกอัปยศออกเสียจากธรรมศาลา เราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้ า, จาในสัปดาห์สัตว์สิท์นี้เราเห็นว่าพระเยซูของพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มทุกวันนะครับดังคืนทรงก็พักที่หมู่บ้านเบธานีคาดกันว่าพระเยซูทรงประทับอยู่ในบ้านของมารีมาธาและลาทรัส อันนี้ผมได้พูดไปแล้วแต่เนื้อหาในวันนี้ก็คือในข้อที่สามยี่สี่เราจะเห็นว่ากระท้กับในข้อที่สี่สิบสามเราเห็นว่าคําที่พูดว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้าเกิดขึ้นกับพวกอิวครับพวกอิวนั้นแบ่งเป็นสองประเภทก็คือพวกยิวที่มีลักษณะเป็นพวกฝ่ายีและพวกยิวที่มีความเชื่อศรัทธานในองค์พระพิ耶ชุคคิด ตรงนี้ครับในข้อที่สี่สิบสองพระพีกล่าวว่าอย่างไรก็ดีแม้ว่าในพวกย้อนที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฝ่ายีเกรงว่าจะถูกอับไ ป, ปเหุออกจากธรรมศาลาความกลัวตรงนี้ทำให้ปรปเยจูมาถึงคคำสอนที่ถือว่าเป็นคำสอนที่ exclusive ที่สุดนะครับเป็นคำคำสอนที่สุดยอดมากเพราะว่าเป็นคาสอนที่ได้แยกแยะ คนออกมาเป็นสองประเภทก็คือคนที่รักการสรรเสริญของมนุษย์และคนที่รักการสรรเสริญของพระเจ้าผมจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าผิด้วยหรือที่เราจะรักการสรรเสริญของมนุษย์คำตอบก็คือว่าไม่ผิดครับเพราะเ่ที่ว่าเราได้รับคาสอนจากครอบครัวของเราจากพ่อแม่เราตั้งแต่เด็กจากสังคมของเราบอกว่าเราจะต้องทาให้คนอื่นยอมรับเรา ทำให้คนอื่นชื่นชมเราทำให้เราดูดีเป็นที่ยอมรับเราต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับตัวเองเพราะเหตุที่ว่าภาพพจน์ที่ดีนั้นนามาซึ่งเครดิตที่ดีมีอะไรภายในบ้านภายในครอบครัวภายในองค์กรในสํงงานักงานในออฟฟิศก็อย่าไปเล่าข้างนอกมันจะทําให้เราดูไม่ดีมันจะทําให้เราเสียเครดิตยิ่งกว่านั้นครับยิ่งเราเป็นผู้น้อยเรายิ่งต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นเพื่อนําการพัฒนาชีวิต ต้องน้อมรับคําติชมถ้าเป็นคําชมเราก็ยินดีที่เป็นรางวัลในการทําดีไม่ใช่หรือรองาร์บการสรรเสริญของมนุษย์นั้นก็เป็นรางวัลในการทําดีในการชื่นชมเป็กนกำลังใจครับการรักการสรรเสริญของมนุษย์ผิดด้วยหรือนี่คือคําถามคําตอบก็คืออันที่จริงแล้วการสรรเสริญของมนุษย์หรือคำสรรเสริญของมนุษย์นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหรือบาปครับถ้าหากว่าเราปรารถนาเช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นก็ไปถือว่าเป็นความชั่วด้วยเหมือนกันในการรักการสรรเสริญจากมนุษย์ การเกงรงกลัวหรือความอายที่ตัวเองเน้นไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือทําสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ําแต่หากว่าโลกเราใบนี้นั้นมันแปรเปลี่ยนไปมันวิปริตไปความบาปความชั่วนั้นมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการยุบย่องชมเชยแบบไม่จริงใจเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง ก, ก็เกิดขึ้นการยุบย่องชมเชย เพื่อที่จะสร้างความยอมรับให้กับคนที่ชมนั้นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันการสรรเสริญของมนุษย์ก็วิปริตแปรเปลี่ยนไปตามผลประโยชนย์ยกตัวอย่างเช่นครับการยอมรับเรื่องเพศที่สามชื่นชมกับเพศที่สามแล้วก็ชื่นชมกับผู้ประกอบพิธีแต่งงานให้กับเพศที่สามบอกว่าผู้ที่ประกอบพิธีแต่งงานให้กับเพศที่สามนั้นเป็นคนที่มีใจเปิดกว้างเป็นคนที่เห็นอกเห็ น, หหนใจนะครับ เป็นคนนี้ให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสก็คือพวกเพศที่สามที่สังคมทุกวันนี้อาจจะยังไม่ยอมรับในบางสังคมคนเหล่านี้ชื่นชมนะครับชื่นชมคนที่เปิดโอกาสชื่นชมคนที่เป็นศิริบานของโบสถ์ที่ยอมรับและประกอบพิ ธ, ธีแต่งงานให้กับพวกเพศที่สามเหล่านี้นะครับคนพวกนี้ชื่นชมว่า อาจารย์เปิดโอกาสเริ่มต้นชีวิตครอบครัวให้กับคนกลุ่มนี้นี่คือตัวอย่างครับการแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ในคำนองที่ผิดๆเหล่านี้ครับพี่น้องเป็นสัตว์กับพระเจ้าผิดจากหลักคำํำสอนของพระองค์ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะแยกแยะได้ไงถึงความแตกต่างระหว่างการสรรเสริญของมนุษย์กับการสรรเสริญจากพระเจ้า ให้ผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการสรรเสริญของมนุษย์กับการ ส, สร ร, เ, รสเสริญจากพระเจ้านั้นก็คือการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นมันมองไม่เห็นครับเพราะเหตุที่ว่าการสรรเสริญจากพระเจ้าหรือการชมเชยจากพระเจ้านั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอนาคตในขณะที่การสนรเสริญจากมนุษย์การสรรเสริญจากโลกนั้นเห็นได้เห็นได้ชัดครับและมันเกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วมันทําให้เกิดการกินนะครับหมายความว่าเรารู้สึกว่าดีมากทีเดียวแรู้สึกพัฟตัฟหมายว่าเราสึกพองโตหัวใจเราพองโตเมื่อเราได้ยินการสรรเสริญจากมนุษย์แในการเดียกันครับการสรรเสริญจากพระเจ้านั้นมันเป็นความสุขลึกๆ อ, อยู่ภายในใ จ, ใจิตใจในขณะที่การสรรเสริญจากมนุษย์นั้นมันถูกประกาศโดงง่งดังบางครั้งก็เวอร์ถามว่าทําไมถึงเวอร์ครับเพราะว่าผลประโยชน์ทั้งสิ้น เพื่อที่จะต้องการผมเยื่ไม่ทางทางตรงทางอ้อมผมเยื่ที่มองเห็นได้และผมเยื่ที่ยังมองไม่เห็นผมเหยื่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และผมเหยื่ที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความแตกต่างระหว่างการเสรนอเสริญจากพระเจ้าและการเสนอจากมนุษย์อีกอย่างครับก็คือความแตกต่างก็คือการสนอเสนญจากพระเจ้านั้นเป็นของแท้ของจริงครับแต่การเสริญจากมนุษย์นั้นอาจจะไม่แท้ไม่จริงเป็นไปได้ เด็กทำไมคนถึงต้องแสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ครับเพราะกลัวสังคมไม่อยอมรับเพราะไม่กล้ารับคําวิจารณ์คำตำหนิแต่อยากจะรับคําชมเหมือนกัว่ารับผิดแล้วไม่เอากรับชอบรับชอบครับพี่น้องครับนี่คือคําแนะนําสําหรับคนที่แสวงหาการสรรเสริญจ า, รจากมนุษย์และกลัวที่จะไม่กล้ารับคําวิจารณ์หรือรับคำตหนิคําแนะนําก็คือว่า อย่าลืมครับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้จงจาไว้ว่าเราอาจจะทำให้คนฝ่ายหนึ่งพอใจคนอีกกลุ่มหนึ่งพอใจแต่คนอีกประเภทหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พอใจเราต้องเลือกทำในสิ่งที่จะทำให้ใครพอใจครับแน่นอนครับเราต้องเลือกที่จะทำให้พระเจ้าพอใจเราไม่อาจเลือกที่จะทำให้ใครพอใจทั้งหมด แต่เราสามารถเลือกที่จะทําให้ใครพอใจได้ใครไม่พอใจได้แน่นอนครับคนที่อยู่ฝ่ายความจริงฝ่ายสัจจะฝ่ายธรรมะแน่นอนครับเราต้องทําให้พี่น้องเหล่านี้พอใจคนเหล่านี้พอใจแต่คนที่อยู่ฝ่ายอธรรมอาจจะไม่พอใจคนที่ขี้เกียจเกียดข้าคนที่ข yani ี้โกงอาจจะไม่พอใจพี่น้องครับจริงอยู่ครับเราจะพยายามอย่างยิ่งพยายามอย่างที่สุดที่จะทำให้เกิดความพอใจของทุกฝ่าย โปรจำไว้นะครับว่าทางที่ดีสุดนั้นก็คือการที่ทําให้พระเจ้าพอพระทัยครับแต่การที่พระเจ้าทําให้พอพระทยัยทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นก็จะทําให้โลกหรือมนุษย์หรือคนที่ดีพอใจตามไปด้วยแม้ว่าอาจจะบางครั้งทําให้คนที่ไม่ดีไม่พอใจก็ตามถ้าแม้อะมาการที่สองครับก็คือเมื่อเรากลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับเรา ใหซื่อเราทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทยัยอาเมน